บทส่งท้ายเตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวเล่มเจ็ดรอยยิ้มของพระรอยยิ้มเป็นเครื่องแต่งหน้าให้ดูดีขึ้นทุกคนทราบความจริงนี้ปัญหาคือรอยยิ้มไม่ใช่ของฟรีต้องมีเหตุผลบางอย่างใจถึงอยากจะยิ้มคนที่ยิ้มเก่งยิ้มเต็มปากเต็มตาเต็มหน้า ไม่ได้มีความหมายแค่เป็นการแจกมิตรภาพแต่ยังหมายถึงการแผ่เผยความสุขเผสู่ใจคนเห็นนอกจากนั้นยังเป็นตัวบ่งบอกที่สำคัญว่าใครคนหนึ่งมีความมั่นใจในตนเองหรือมีความสุขกับตนเองมากน้อยเพียงใดสงสัยไหมครับว่าทำไมการฉีกยิ้มกว้างเกินพอดีอยู่เกือบตลอดเวลาของบางคน ไม่ได้ทำให้คุณเห็นแล้วพลอยมีความสุขไปกับเขาแต่กลับจะรู้สึกเกรงเรงแปลกแปลกอันนั้นก็เพราะเขายิ้มแต่ปากทว่าใจไม่ได้นึกอยากยิ้มประกายตาก็เลยไม่ฉายแสงสุขแถมรัศมีจิตของเขาที่มากระทบใจคุณก็ไม่ใช่ความสดชื่นเบิกบานแต่ประการใดบางที คุณจึงเหมือนต้องพลอยฝืนเอาใจช่วยให้เขายิ้มได้ตลอดรอดฝั่งไปด้วยความรู้สึกโดยรวมเลยเป็นความเหนื่อยแทนแต่สำหรับบางคนเหมือนจะมีรอยยิ้มเพื่อทำให้คนอื่นรู้สึกดีขึ้นคุณจะรู้สึกถึงพลังความสุขที่เผื่อแผ่มาถึงคุณไปด้วยหากเคยมีประสบการณ์เห็นใครยิ้มแล้วเกิดกำลังใจหายเหนื่อย หายเศร้าหายเซ็งอันนั้นละคุณเจอบุคคลพิเศษเปลี่ยนโลกได้ด้วยรอยยิ้มรอยยิ้มของคนชนิดนี้อาจไม่ต้องเหยียดสุดริมฝีปากด้วยซ้ำอาจเป็นยิ้มละไมในใบหน้าเพียงน้อยหรืออาจจะสยายมุมปากออกไปแค่นิดเดียวแต่ตรึงสายตาของคุณได้จับใจคุณให้เกิดความรู้สึกแสนดีได้ จากที่กล่าวมาทั้งหมดคงแปลได้ชัดครับว่าการเหยียดริมฝีปากย้มออกมานั้นหลายครั้งไม่ใช่สั ญ, ญลักษณ์ของความมีอารมณ์ดีเสมอไปทว่าเป็นเครื่องหมายของหลากอารมณ์แม้ในพจนานุกรมก็แปลคำว่ายิ้มไว้ว่าเป็นอาการแสดงให้ปรากฏว่าชอบใจเยาะเย้ยหรือเกลียดชังด้วยริมฝีปากและใบหน้าประกอบกัน จะดูแล้วตัดสินกันแค่ที่ปากอย่างเดียวไม่ได้สังเกตดูยิ้มแบบคนธรรมดาทั่วไปนั้นส่วนใหญ่จะเป็นยิ้มแย่แย่ยิ้มแห้งแห้งหรือยิ้มฝืดฝืดโดยเฉพาะยุคที่เงินทองหายากเศรษฐกิจฝืดเคืองเลยทำให้ยิ้มฝืดฝืดยิ้มเคืองเคืองตามไปด้วยคุณคงนึกออกว่า เมื่อถูกสถานการณ์บังคับให้ยิ้มในขณะที่กำลังอารมณ์บูดหรือกำลังเบื่อภาระอย่างหนักคุณจะเหลือกำลังน้อยเต็มทีสำหรับฝืนเหยียดริมฝีปากออกไปให้สุดอย่างมากย้ำไปได้สัก80เอร์เซน์จะหมดแรงแล้วและไม่อาจคาวไว้ที่80เอร์เซนได้นานนักเดี๋ยวเดียวจะค่อยๆหุบลงเหมือนดอกไม้ที่เเข๋เพราะขาดน้ำหล่อเลี้ยง กระนั้นอาชีพของบางคนต้องพึ่งพารอยยิ้มอยู่เกือบตลอดอย่างเช่นดารานักสแสดงนักสแสดงบางคนยิ้มเก่งมากทั้งที่ใจไม่ได้อยากยิ้มเลยสักนิดเดียวเขาเพียงจำได้ว่าตอนจิตกำลังสดใสเบิกบานถึงขีดสุดนั้นริมฝีปากกับใบหน้าจะต้องเป็นอย่างไรยิ้มแบบนักสแสดงจึงอาจหลอกตาคนอื่นได้ แต่ย่อมไม่อาจหลอกใจตนเองและในที่สุดอาจเห็นการเอาแต่ฉีกปากยิ้มทำตาเปล่าช่างเป็นเรื่องน่าเบื่อหนายกระทำจิตให้แห้งแล้งเหลือทนคนทั่วไปขาดวิญญาณนักแสดงฉะนั้นบางรายเช่นพนักงานต้อนรับต้องฝืนยิ้มโดยหน้าที่บ่อยเข้า ก็เกิดความทรมานใจกลายเป็นคนยิ้มหิ้มหิ้มไปเลยเพราะใจที่ทรมานย่อมพอกพูนโทสะเมื่อสั่งสมโทสะในการยิ้มมากเข้ารอยยิ้มก็ย่อมดูร้อนและร้ายไปในที่สุดสรุปคือยิ้มจริงจิตต้องยิ้มซะก่อนยิ้มมาจากจิตไม่ใช่มาจากปากหากปากยิ้มแต่จิตไม่ได้ยิ้ม ก็เหมือนไม่ได้ยิ้มนั่นเองคนที่มีจิตยิ้มเนี่ยนะครับต่อให้ริมฝีปากไม่แย้มคุณก็จะรู้สึกเหมือนเขาอมยิ้มอยู่ตลอดเวลาหากคุณเคยทักใครว่ายิ้มอะไรแล้วเขาบอกว่าเขาไม่รู้สึกเลยว่ากำลังยิ้มนั่นแหละคุณเห็นตัวอย่างของคนที่ยิ้มออกมาจากใจเขาให้แล้ว ถ้าวันหนึ่งคุณตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองสามารถยิ้มช่ำชื่นเบิกบานโดยไม่ต้องขอแลกกับเรื่องหน้าปลื้มอันใดในโลกทว่าอาศัยเพียงเหตุผลภายในที่รู้อยู่แก่ใจว่าเป็นสุขเหลือประมาณจิตใสเบาไร้ร่องรอยเศร้าโศกเพราะว่างวายจากความยึดติดอะไรใดๆคุณจะย้อนกลับไปมองวันวานที่ผ่านานมาทั้งหมด ว่ล้วนแล้วแต่เป็นห่วงเวลาแห่งการติดอยู่ในฝันร้ายเข้าใจผิดผิดยึดมั่นผิดผิดเกิดอุปาทานผิดผิดไปทั้งเพเมื่อใกล้พระบางรูปคุณอาจรู้สึกถึงกระแสปิติสมนัติอันใหญ่หลวงเมื่อระลึกถึงท่านคุณอาจนึกเทียบเคียงกับอิสรภาพอันไรขีดจำกัดของแผ่นฟ้า คุณจะรู้สึกว่าความว่างแห่งอากาศตลอดทั่วทุกโคงฟ้ารวมกันยังเล็กเกินกว่าจะนำมาเปรียบเทียบกับดวงจิตอันว่างวายจากกิเลสของเหล่าท่านยิ้มที่ศาสตร์ฉายความบริสุทธิ์สะอาดแห่งจิตยิ้มที่ปราศจากความกังขายิ้มที่ปราศจากชั้นยิ้มยิ้มที่จะทำให้คุณนึกออกว่าพระพุทธเจ้า ค้นพบธรรมะอันใดเหล่านั้นคือรอยยิ้มของผู้ถึงความปลอดภัยอันกเกษมแล้วและนั่นก็จักเป็นแรงบรรดาลใจให้เกิดศรัทธายืนยันให้เห็นว่าต้นเหตุแห่งรอยยิ้มเช่นนั้นมิใช่เรื่องล้าสมัยอย่างน้อยคุณจะเริ่มอยากเชื่อว่าใจที่ซื่อใจที่ตรงใจที่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมะอันสว่างแจ้ง มีสภาพเช่นนี้เองครั้งแรกที่ผมบังเกิดความประทับใจในรอยยิ้มของพระเห็นแล้วเย็นเข้าไปถึงหัวใจเห็นแล้วใจว่างจากทิฏมานะเห็นแล้วอยากคุกเข่าลงกราบแทบเท้าน่าจะได้แก่การเห็นรูปของหลวงปู่ขาวอนาลโยแห่งวัดถ้ำกลองเพงเสียดายก็แต่ว่า ผมเห็นรูปก็ต่อเมื่อท่านละสังขารไปซะแล้วอย่างไรก็ตามรอยยิ้มของหลวงปู่ขาวทำให้ผมหัดมองรอยยิ้มของพระด้วยความสังเกตสังกามากขึ้นและพบว่ายังมีพระภิกษุสงฆ์ในไทยหลายต่อหลายรูปที่ยิ้มได้งดงามและให้ความละมัยในสัมผัสอย่างน้อยก็ก่อความสงบเย็นขึ้นในใจเราได้ชั่วขณะที่เห็น แม้ยิ้มของพวกท่านไม่อาจทําให้เรารู้ว่าเหล่าท่านรู้ธรรมะใดประมาณไหนย่อมก่อให้เกิดศรัทธาเพียงพอจะวางใจได้สนิทว่าสิ่งที่ท่านพูดท่านพูดอย่างรู้มิใช่ไม่รู้ท่านเปิดเผยธรรมะจากที่ที่ไรอัตตามิใช่ที่ที่มีอัตตาอยากขอเชิญให้ไปฟังเทศนาธรรม จากพระอาจารย์ปราโม้ต์ปาโมวตโชที่สวนสันติธรรมอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีอันเป็นแหล่งพมนักของท่านตั้งแต่เวลาเจนาฬกาถึงสินาฬิกาโดยสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดดูวันหยุดและดาวน์โหลดหนังสือของท่านมาอ่านได้ฟรีรวมถึงดาวน์โหลดเสียงเทศนาของท่านมาฟังได้ฟรีที่เว็บวมุติดอทเ w i M.U.T.T.I. N.E.T. ท่านเป็นพระดีที่อธิบายธรรมะด้วยภาษาและมุมมองของคนรุ่นใหม่มีความฉลาดทางโลกฉลาดทางจิตฉลาดในกรรมและฉลาดเทศนาธรรมอย่างที่คุณจะประจักษ์ว่าความดับกระหายแห่งจิตเป็นเช่นใดคุณจะเกิดแรงบันดาลใจมากพอแก่การอยากทราบว่าปฏิบัติเช่นใด จึงได้ดีอย่างท่านบ้างรอยยิ้มนุ่มนวลในชีวิตเรียบง่ายธรรมดาของพระแท้อาจเป็นสัญญาณแห่งชีวิตใหม่ของผู้ปรารถนาบร ม, มสุขอันเกิดแต่การดับเหตุแห่งทุกข์ได้สนิทเสียงอ่านหนังสือ ตเตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวเล่มเจ็ดงานเขียนโดยดังตรินเสียงอ่านโดยโจโฉขอบคุณคุณตองพี่ที่อนุญาตให้นําเสียงบรรเลงเปียโนมาประกอบขอบคุณคุณรุ่งทิพย์ดวงพยับที่ส่งต้นฉบับมาให้อ่านเสียงนะครับขออนุโมทนาเจริญในธรรมทุกท่านครับ